จิตเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดเวลาวงเล็บเปิดเจ็เมษายน2551นาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที7วงเล็บปิดสิ่งในโลกนี้ที่เรายังยึดถือเหนียวแน่นที่สุดคือกายกับจิตระหว่างกายกับจิตก็ยึดถือจิตมากกว่ากายปล่อยวางกายได้ก่อนปล่อยวางจิตเพราะเรารู้สึกจิตนี้เป็นตัวเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เรารักที่สุดเราหวงแหนที่สุดเราเห็นว่าเป็นตัวเราพอร่างกายแตกสลายไปนะเรายังหวังที่จะให้ตัวเราถอดออกจากกายนี้ไปหากายใหม่เนี่ยเราคิดว่าพอตายปุ๊บนะจิตดวงเดิมนี่แหละซึ่งมันเป็นตัวเรานี่แท้จริงมันจะไปเกิดใหม่ทฤษฎีที่ว่าจิตดวงเดิมไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฐินะไม่ใช่ศาสนาพุทธคาสอนในศาสนาพุทธก็คือจิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันไป ฉะนั้นจิตดวงนี้ดับลงจิตดวงใหม่เกิดขึ้นจิตในภพนี้ดับลงจิตในภพใหม่เกิดขึ้นมันจะสืบเนื่องไปไม่ใช่ตัวเดิมถ้ายังเห็นเป็นตัวเดิมเห็นเป็นตัวเดียวก็จะรู้สึกอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรามีเราอยู่คนหนึ่งแต่พอเราเริ่มเห็นความเกิดดับของจิตเห็นเลยว่าจิตเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับดูอย่างไรจิตไม่มีตัวตนนี่เราดูจิตตสังขารดูที่ตัวจิตตสังขารเช่นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับไป เกิดจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยมีอยู่แล้วก็ดับไปเกิดจิต ท, ที่มีความทุกข์เราจะเห็นเลยเออจิตมันเกิดดับอย่างนี้หรือจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดจิตอกุศลขึ้นแทนเช่นเรารู้ตัวขึ้นมานี่จิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวก็เผลอตรงเผลอเนี่ยเป็นจิตอกุศลรู้ไปเผลอไปรู้ไปเผลอไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตดวงเดิมหรอก ไม่ใช่จิตดวงเดียวกันหรอกนะหรือถ้าใครสติปัญญาว่องไวดูพฤติกรรมของจิตจิตเดียวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับไปดับไ ป, บ ไ, ปไม่ใช่ดวงเดิมถ้าสติปัญญายังไม่แก่รอบจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปที่ตาแล้วก็ดึงคืนมาวิ่งไปที่หูแล้วก็ดึงคืนมาอันนี้เพราะอาศัยสัญญาไปสําคัญมั่นหมายเอาว่าจิตเรามีดวงเดียว แท้จริงจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนะแต่มันเกิดต่อเนื่องกันรวดเร็วมันเลยเกิดภาพลวงตาว่ามันเคลื่อนที่ได้เกิดเป็นภาพลวงตาขึ้นมาคล้ายๆหนังการ์ตูนนะตัวการ์ตูนไม่ได้กระดุกระดิกได้ใช่ไหมเป็นรูปวาดแต่ละรูปแต่ว่าแต่ละรูปมันไม่ซ้ําที่เดิมเพราะมันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วก็เลยเห็นว่าตัวการ์ตูนนี้มีตัวเดียวแล้วมันเดินได้มันวิ่งได้การ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อดูก็โดเรมอนนะ หลังจากนั้นไม่ได้ดูแล้วรู้จักแต่โดเรมอนโดเรมอนไม่มีจริงโดเรมอนที่ว่าเดินได้นั้นเป็นภาพลวงตามันคือภาพแต่ละภาพแต่ละภาพมาต่อต่อต่อกันก็เหมือนกันนะจิตก็เกิดดับแบบนั้นแหละเกิดดับเป็นรูปรูปไปแต่มันต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันมีตัวตนอยู่จริงฉะนั้นตัวตนนี่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองนะ ที่เกิดจากความต่อเนื่องของรูปธรรมนามธรรมที่มันเกิดดับต่อเนื่องไปแล้วอาศัยความจําได้หมายรู้ไปหมายเองเนี่ยทาไมเราเห็นภาพการ์ตูนภาพที่1กับภาพที่2มันต่อเนื่องกันเพราะว่าจิตมันจําได้ขณะที่ตามองเห็นรูปที่1เนี่ยจิตมันจํารูปนั้นได้พอรูปที่1ดับไปเกิดรูปที่2ขึ้นมาภาพความจําในใจยังไม่ได้ดับไปทีเดียวมันจําขึ้นมาได้อีกมันก็เลยเห็นว่า อ๋อมันเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันมันเป็นภาพลวงตาฉะนั้นทั้งรูปธรรมนามธรรมานะในความเป็นจริงเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดเวลาหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เป็นแค่ภาพลวงตาทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนขันท่าเป็นภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนหมอกควันและอื่นๆเนี่ยเราเรียนนะจนเราเห็นตัวจริงเห็นความจริงว่าไม่มีเราเห็นแต่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรานั้น มันก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้คือเส้นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้ายัางเห็นเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะมันก็จะเกิดยินดีและยินร้ายขึ้นมาพอมีความสุขก็ยินดีพอมีความทุกข์มันก็ยินร้ายจิตมีความยินดียินร้ายจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งไม่เลิกมีความสุขก็อยากรักษาความสุขหายไปก็อยากสแสวงหามีความทุกข์ก็เกลียดมันไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นจิตที่ดิ้นรนทํางานคือการสร้างภพสร้างชาตินั่นเอง ทันทีที่จิตทำงานสร้างภพสร้างชาติความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็จะมีขึ้นมา